ในกา ร, ร น, นั่งสมาธแต่ไปจะนีไปจกทรเน้นนำทำสมาธิเดียกวกาบภาวนาอันเป็นจิตในุทธศาสตรเสมอแต่ไป เกี่ยกวกับการปฏิบัติธรรมาฐาหลับตานิ่งหน่อยแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกการนับคือได้จมกูกที่ลมหายใจผ่านต่อไปหายใจให้ แนานเสนออย่าบังคับลมให้มันยาวเกินไปอย่าบังคับลมให้มันสั้นเกินไปอย่าบังคับลมให้มันหยาบเกินไปอย่าบังคับลมหายใจให้มันละเหยียบเกินไปให้พอเหมะพอสมสบายสบๆเท่านั้น แล้วใจก็ให้สมดุลลมหายใจอ่าอ่าหายใจเข้าลมเข้าไปมันให้มีกวารรู้สึกว่าเต้นรมอยู่ที่ลายสมูกกลางลมอยู่ที่หัยใถหัว ใ, ใจปลายลมอยู่ที่สะด เมื่อหายใจออกมาให้กำห น, นดว่าต้นลมอยู่สดีกลางลมอยู่หัดไทยปลายลมอยู่ตะโบแล้วก็ตั้งใจกำห น, นดต้นลมกลางลมปลายลมอยู่อย่างนี้เลือกความมีสติแ อ, อดิษได้อยู่ ด้วยการมี้นใจขึ้นเยอะเติมเต็มอยู่อย่างนี้ด้วยใจไม่ต้อคิดอย่างอื่นนี่คือเทระคือเทะที่จะต้องทำในปัจจุบั น, นวันนี้ปัจจุบันนี้เที่ยอย่าคิดไปอย่างอื่นอย่าสรงจิตขึ้นใจข้างบนอย่าส่งจิตไปข้างล่าง อยาาชงจิตไปข้างขวาอย่าชงจิตไปข้างซ้ายทางซ้งายให้ตรงทาจิตให้ตรงอือยาาชงจิตไปอย่างอื่นให้ความรู้จึตติดตามลมหายใจเข้าออกอย่างนี้อืต่อไป บางทีนัแน่็เกิดเกิดความคิดขึ้นมาว่าทำอย่างนี้ทําให้เป็นอะไรทําให้รด้ อ, อะไรทําให้อะไรเกิดขึ้นมีประโยชน์อย่างไรบางทีจิตก็จะคิดขึ้นนี้ถ้าคิดขึ้นขึ น, นี้เราก็ตัดมันออกไปเมือ่องนี้ ไม่ใช่พระหน้าที่ของเราก็คิดอย่างนี้หน้าที่ของเราที่ตรงนั้นก็คือสร้างสมิให้ดีตั้งสันติยะให้ดีตลางรือลมเส้นลมกลางลมกลางลมเท่านั้นพระหน้าที่ที่จะทําปัจจุบันนี้มี น, นี้แต่การที่สองมันก็จะคิดไปว่ารำคาญเสียงรถยน ลังคาลเสียงเสี่ยงดินลังคาลเสียงอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจว่าเสียงข้งางไหนเรานั้นมารบกวนเราอย่างนี้นั้นกเกิดขึ้นได้เหมือนกันถ้ามีความคิดเกิดเช่นนี้ก็น้อมเข้ามาว่าเสียงรถมาเรียมาควรเราเสียงเดเรมาควรเราเสียงกระชายชนมาเรียมาควรเราเราเองไปควรเขา เขาเป็นมาควนเราถ้าเ ข, ข้าใจแบบเราไปควรเขาเราก็ปฏิบัติข้ามจิตของเราเท่านั้นอย่าให้ไปควรเขาเพราะฉะนั้นยุดนันจะรู้จักเมื่อจิตมันรู้จักแล้วมันจะสำนึกโอมหายใจเข้าออกต่อไปเท่านั้นอ ต, ตอนนี้ไปลงมีการประทำได้แล้ว ท่านผู้จเจริญทางหลายณโอกาสที่เราทํากรรมฐานจบลงแล้วนี้อัตมาถือโอกาสศึกษาท่านผู้จเจริญทางหลาว่าเรื่อจับบางคนก็คงจะรู้จักบางคนก็ยังไม่รู้จักว่าอัตมามาเป็นไหนามาอะไรเพื่อต้องการอะไร อาตมาเป็นพระซึ่งทำกรรมฐานมานุ่มนานอยู่ไทยแลนด์หลายสิบปีแล้วกันเนตที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ได้มีศรัทธาพยายามปฏิบัติมาเข้าวัดพุทธศาสนาตั้งแต่อายุต้าขว่อ <c oughs> ที่นี้ได้ทำการจัดตุ้ปฏิบัติมาเรื่อยมาจนตั้งสาขาอยู่ในไทยแลนด์มีสาขาขึ้นปฏิบัติประมาณสามสิบแห่งได้อนาคการปฏิบัติมานี้ก็มีรูปคิดในต่างประเทศ มีประมาณเจ้าปฏิทินได้เรวมอยู่ที่วัดน้องต่องพงศุจกรรมฐานาประมาณเจ้าปฏิทินได้ไปจิตกรรมานอยู่ที่นั่น ไ, ได้ไปบวชเป็นพระฝิกสิทท ส, สามเณนในพุทธศาสนาและก็ยังมีทา ย, ย, ก, ทา ย, ยกทายุกาผู้หญิงผู้ชายทั้งหลาย ในต่างประเทศเข้าไปเยี่ยมวัดน้องกระโปรงนั้นมากมายอันนี้ท่ า, านพระเิริญโธนี้ไปจำพรรษาอยู่ที่นั่น 10, 10, สิสิทพรรษาด้สิบปีแล้วไปอยู่นานพวกเขาเดี๋วจะเรื่องการปฏิบัติปฏิบัติในพุทธศาสนาพอสมควรมื่อมีลูกศิษย์ต่างประเทศมากขึ้นมา แต่มีชื่อเสียงสิดสัพมากขึ้นจึงเป็นเหตุให้รู้จับ ก, กับสถานที่นี้เรื่องเหตว่าสถานที่นี้มีผู้มาดาเนินการปฏิบัติมาหลายปีแต่มาถึงแบบนี้จะเดืดขาดพระคิสุที่จะปฏิบัติมาหลายปีแล้ว ตัวนี้จึงโยมจากทาากับโยมสีนูเบจิกาที่ดาได้เดินทางจากกรุงยมดอนไปสู่ไทยแลนด์และไปดูสถานที่ที่รับขือสัพโองนั้นจะได้พูดถึงสถานที่นี้แล้วก็ อยากจะมีมนุ์อาตมามาดูที่นี่อยากจะให้มาอยู่ปฏิบัติที่นี่อยากจะให้มาศึกอยากเจริญที่นี่เ้ยวยออาตมาจึงรับปากก็จะมาดูแต่ในรับปากก็จะมาอยู่ที่นี่เพราะว่ายังไม่คุ้นเคยกับไะชาเนทมท้งงใจตกหนึ่ง เบด็ดดอนนี้ไม่รู้จักประเพณีไม่รู้จกักจิตใจไม่รู้จักความเป็นอยู่ไม่รู้จักภาษาออัตมาก็ไม่รับปากจะมาอยู่แต่พอต้องมาดูเมื่อมาดูแล้วเมื่อมาดูแล้วก็อเกิดความรู้สึกหลายอย่าง แม้ในทิ้้งนี้อาจะมาเกิดความรู้สึกหลายอย่างเกิดความรู้สึกแปลกแปลกทัศฐานที่นี่ปับดินพราอาศาสกปรับประเด็นเพราประชาชนในชาวกลุ่มบนอเ น, นี้เกิดกจะพูดไม่ถูกเลยทีเดียวที่อาจะมาเศร้าสมาสูาสาสงเมืองนี้มีความรู้สึกจะฆ่ า, ากบฏให ม, ม่เกิดใหม่ รู้สิ่งที่ไม่ครเห็นสิ่งที่ไม่ครเห็นปจัจจันนี้ก็เป็นอ ย, อย่างนี้แต่ว่าไม่เคยเนิกเลยว่ า, าชาวไทยคนชากุงเลนบอนนี้จะสนใจในพุทธศาลป์นาไม่เคยเนึกขนาดน่อมาถึงแล้ว จึงเป็นเหตุตให้เสียใจเสียใจฉะนั้นอาตมาจึงมีความภูมิใจและกรียกใจอยากให้พุทธศาสนาแค่มาถึงที่นี่ด้วยแต่ก็เป็นของลำบากยากอยู่เดิมฉะนั้นจึงิดตศึกษาก็ประชาชนทั้งหลายว่า จะมีควา ม, ม้่มเพียงกัไหมจะยินดีไห ม, ม, มจะพอใจไหมท้าพระพิษุมาตั้งอยู่ในที่นี้มารักษาที่นี่ให้เป็นสถานที่ปฏิบัติต่อไปขั้งแท้สั้งใจเข้ามาเจริงกันตอนนี้กับพระเจนโพ กับพระเสอมาทำโม ม, มาดูแลไปแจะกลับไปไทยแลประมาณสักเดือนกว่าดูสองเดือนเพราะนั้นแบบนี้จึงมาเห็นโคมประเทศขินเป็นประตูประทศเป็นประเทศที่สมควรทุกสิ่งทุกอย่างบิณฑบาตราาความเป็นอยู่ จะขาดอย่างเดียวขาดยังไม่มีนักปราชญ์ที่มาจะแนะนำทั้นสอนในทางพุทธศ า, าสนาอย่างแงท้จริงฉะนั้นอาตมาจึงตกใจแล้วว่าจะให้พระเจนโทอยู่นี่ก่อนกับพระเถรนธรรมโมอยู่ที่นี่ ดูก่อนเพื่อจะเป็นประโยชน์ในที่นี้เรื่องเนตัวอัตมานั้นมีทุระยนเป็นมากจะต้องกลับไปทถรมาก่อนเพื่อเพื่อจะได้ทดลองอยู่ที่นี้ก่อนแต่ว่าพระสงฆ์ที่ปฏิบัติ ทั้งหลายที่จะให้อยู่นี้เป็นแค่สมถานเป็นแค่สมถานคือเป็นผู้เกิดโดยตรงเป็นผู้มากน้อยเป็นผู้สันโดเป็นผู้ไม่มักมาอเป็นผู้เรี่ยงงา่ายไม่เรื่องยากแต่ก็ต้องแต่ก็ต้องสำหรับที่คนยังในรู้จักก็เป็นของยอ่อก เจ่ท่านกินง่ายจอท่านนอนง่ายยูงง่า ย, ายถ้าคนไม่รู้จัจกเชื่อว่าพระธรทูในเมืองไทยเสีพระเสียพระทรงมาในใ น, ในทีนี้ไม่ก้าทำไม่กล้าทำถึงนั้นไม่กล้าทำเหมือนพระพุทธเจ้าไม่ไม่กลบาทำในหลักคุตติศาสตร์อย่างแท้จริงเชื่อว่าพระบาเชื่อว่าพระบา จะใช้เป็นขอทานถ้าสมุ ท, ที่ยังไม่เคยปฏิบัติมากัวเรือเนื้ออายอืมไม่ได้ทำอ่าฉะนั้นการยิ้มถบายใม่ึริงมันเรามีจริงมีตลอดมาถึงวันนี้ความจริงจริงการยมถายนีมีมาติดตั้งจากเจ้าชของเราเกิดมาจากอินเดียอืมการยิ้มถบาทวอนนี้อินเดียการยิ้มถบาทก็ไม่มีมมหรือมน้อยเพ เขียมการปฏิบัติคนมันเขียมไม่ใช่ราศาสนามันเขียมฉะนั้นการยินพบาทเป็นจุดประสงค์อ่าโดามาสัวนนี้ต้องรับเข้มาจะต้องมีมูลคิจจะต้องเรียงเงินเรียรยเงินทองกันมาเป็นก้อนหนึง่งเป็นมูลคิจเพราะในสองไปยุนพบาทก็เลยเป็นได้เกิดเป็นความยุ่งยาก เ, เ, เดือดเดียนยาตเยมต่างๆหันเรื่องไปแล้วแต่คนก็หมดศรทธาถ้าเราไม่ปฏิบัติการยินทบาทถ้ามีการยินทบาทแล้วมนุย์ที่จะตั้งคุณ น, น, นั้นไม่จำเป็นการข้ามาพระมีบาตรแต่ก็อุ้บาตรินทบาทไปเรื่อยก็ไม่ขอโดยวาจาโดยโดนโดยดื้อดื้อโดยความสงบอยังนักนงตะคงรทธิ์ไทยรันนั้น การฆ่าเปยัน า, าบาทล้วยนืนใครจะมีอาหารมายมืนยี่นาบ้านให้ข้าวสักข้าหนึ่งผลลาไมา้สักใบห น, นึ่งนนฟังจะขึ้นหนึ่งไอเรื่องไอคนนี้จะ ห, หายไปหลายคนก็ไปสำนัาาเกเล็กเล้วันหนึ่นนจะจะเสียค่าไปทีหนึ่งหรือไอเต้นจะสักใบหนึ่งแล้วถน น, นจะขึ้นหนึ่งนั้น แลายคนเดินายเดินไปมากป็นคอามแล้วมมมไม่จำเป็นถ้าจากน่าคนยังไม่รู้ก็เดียคนคอทามแล่ว่าไม่ใช่คนคอทามแ้าว่าคนเราที่จะอยู่ไป น, นี้ก็เพราะอาหารใดยฐานอาหารมันเป็นอยู่ชีวิตก็ยังมีอยู่เมื่อชีวิตยังอยู่ก็สอนกระทาคน ไ ด, ได้สอนประชาชนให้สร้างเป็น ง, งานความดีขึ้นได้สอนธรรมะให้ค้อจะสร้างธรรมะก็ต้นงมีอหารเป็นเป็นเครื่ออาศัยอยู่ถ้าไม่มีอาหารก็สร้างธรรมะไม่ไดอ้อันนี้ถ้าไม่มีอาหารเรื่องต่ออธิบดยธรรมะสอนประชาชนไม่ได้แต่ท่านเอาไวมากใหน้าแล้วก็แข็งพอแล้วก็ อาหารเจ็ได้ไม่ได้โดยกาเรียงดยอยากเรียงเขาเจ็บได้ทอืมแล้วจะทันนี่เดียวอีกเรื่องเรื่องบาตระชนี่เดียวพระทั้งหลายเรไมีตัเป็นผิดแสๆครับยังจะมาเดินทางมาจากแคลามไม่ฟูฟูนั้ น, นนี่ไม่มีสตางที่จะเป็นพระจ้างที่เอเอพวกคนินมา เขาจถวายให้นั่งมาทางข้าชุมนโพก็ก็ญาตโยมเขาก็าใน ห, นกกกห้มาคเครอเล่าของทาชุนุโพเือมาสมโอทุกพระที่อยู่วัดกะพงกระตังในย่าในตึงในตึงไม่เคยไปขอใครไม่เคยไปขอใครไม่เคยไปร่ำขอใครไม่เคยเไม่เคยไคยป่อะไรเงินทองในในหมู่บ้านต่าง ไมเคยทำการพื่ขายไม่เดประการหาเงินมต่เป็นพูดปฏิบัติโดยมากอยู่นป่าไม่เคยเดิน้างไปใครยิ่งเป็นปรบเทวีของชาพุทธเจ้าถ้าหาก็มาอยู่พระโยมจะมีความรู้สึกยังไงวันนี้จะมาเลยเพื่เรือกพระใหยฟังว่าจับเปนยังไงมีความรู้สึกยังไงไห ถ้าญาตโยมทุกคนต้องการพระอย่างนี้ถ้าอาตมาจะให้ก็ะอยู่ปฏิบัติเนีย่ยพยานส่งมาให้สถานที่เป็นสถานที่ปฏิบัติขึ้นบาชื่ อ, อตาตมาจะมาจากภัญษาด้วยกว็ได้ อ, อการกระทำเช่นนี้ อะไรจะไปเห็นพระมาเนสิงดัางๆนี่ทุกมาจากขมนเณรและมาจากาันเณรอย่าใสาใจอย่างอื่นนะบางองค์จมาทำความบุ่นวายพอดีอพุทธศาสน า, า, านไม่ใช่บุคคลบุคคลไม่ใช่ศาสน า, ศา ศาสนามันไม่ใช่บุคคลบุคคลไม่ใช่ศาสนาะศาสนามันไม่เสี่ยงดีตลอดเวลาอคือเพราะมาปฏิบัติศาสนาไม่ถูกจึงไม่เป็นหน้าเรื่องไสอืมจึงไม่นะนำญาติโิมทางหลายให้มีความคิดใจน้อยลงน้อยลงบ้าอืมเพราะฉะนั้น บางคนก็จะเห็นว่าเมืองไทยมีพระพุทธศาสนาบางองค์พระในเมืองไทยมาทำไม่ดีก็ไปโคดพุทธศาสนาโคดพุทธศาสนาไม่ได้ศาสนาไม่เป็นอย่างไงเพราะนั้นมันเป็นคนจึงจะละคนไม่ใช่ศ า, าสนาศาสนาไม่ใช่นคนศาสนาเปรียบกันเองว่าเหมือนกันจะเรือ เครื่องมีความเ้มอยู่ตลอดเวลาถ้าใครไปกินเที่ก็ยังเขนอยู่ถ้าคนไปกินเที่ก็ยังเข้เพราะะนั้นพุทธศาสนาไม่กินเขื่ยไม่ได้กินเขือยไม่ได้คนเขี่ยต้องห้าวไม่ใช่ศาสนามันเขี่งบางคนก็จะเห็นเพราะในเทเรนมาปฏิบัติใาการมากระทาไม่ดีแล้วก็ ไปโทษทุสาสน์เฉพาะใช่ไหมคนที่ไไปกินเกลือก็ไปโทษจากเกลือไม่ถูอย่างนั้นได้เหมือ น, นอาาอาากันไอความเป็นจาริงไอความเค็มของเกลือมีอยู่ตลอดเวลาถ้าหากมีคนเอ า, าเกลือไปกินก็ไม่ถูกความความเค็มมันก็ไปโปรดสนับทุตสาสนาก็อย่างนั้นดังนั้นโททุตาสาน์ไม่คือสานจิตสนิตใจให้สบาย สอนจิตใจมาให้เป็นทุกข์เรื่องพุทธศาสนาเรืองนี้วมนนี้ถึงเล่าอะไรให้ฟังอืถ้าโยมยินดีถ้าโยมเห็นเรื่องอานตม า, ตาก็จะทรงคิดสุบแล้วมนันจะมาตั้งข้อปฏิบัติในที่นี้จะเริยขึ้นในการปฏิบัติจ ะ, จ, ะจะต้องจะต้องไปยินทบาทขอทาน รู <l ux> ้เด่นมีความรู้สึกยังไงบ้างถ้าเกิดมีป่าถ้าคนปอทานแปรชนะ <l ux> อจะมายินยีเห็นประชาชนในชาวจรุงเบนดอนนี้เหมือนกันที่น้องคาท้าปเจจุบันจะเปียกในอ้องละดินก็ดีนะทำผลไมา้มาก็ดีแต่ไม่มีใครมาปลูก ก็ไม่มีใครมาทางสวนอย่างนั้นเราจะดูประเทณพอสมควรจิตใจคนจะดีสถานที่จะดออีอะไรริมข้าอากาศจะดีสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งหมดมแกว่าไม่มีใครมาจังสอนภาษาศาสนาให้เข้าใจให้มีความถูกติ่ง เ, เลยตรงนั้นมันก็ไอ้พันผลไม้จะดีดินจะดีจะไม่มีใครสลูก อาตมาไม่สนใจอย่างนั้นดีไหมโยมมิม hmm. <No ิลิมิลิเจ้าหน้าที่อาชาตการศาสนาสังคีตยูวิไหมเฮ้ยยูวัตสกงฉะนั้ไม่ใช่ข้าว่เรืองที่ดนะไม่ไม่ใช่เรื่องเดียไม่ใช่เรองทเออยูวัตสกงหลาที่เี้ยเดียวิาลัพระจะก อ่า ะ, ะมีอาหารเล้ะกว่อุปทานอาหารมันด้วยแล้วก็นใก้คนดีให้มามีปดะโยชนมากใวแบบในความยินดีให้มากม า, ากั้งปกติารื่องกระบันในแลบนี้วราจะการชื่ออาหารตัไมัดีเท่าไหร่ก็แข่งกันว่าเราติกใหม่ม่ต้องก็ยังอะไใหม่ตเน้น ขั้นแรกเนี่ยมันไม่ต้องหยุดนิ่งีมากทีดเดยจะพยายามทาแต่ก็ทดกลุ่มคนสขยงน้อยจะหายสนมากตาเห็นเนี่ยจะดีขึ้นบุงขึ้นถ้าเป็นเงหนแมวโยนผู้นี่ก็นในลำบากในลำบากสับหยาดโยนทั้งหลายถ้ามีเงินดีขึ้น่นก็มันจะลำบากแต่ทาเ ง, งนิ น, เ, นเป็นค้อหนึ่งมันลาบากเหมือนกันทราไม้ทอด ย, อ ย, ยังใหญ่แบบนี้จะ น, นัก ถ้ารามาผ่าเป็นขีดขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ี้ขี้ขี้ขก็ได้จะเป็นคนเดียวกัน่อมันก็ได้น่ะการให้อาหารการตกแต่งเครืองใช้ผลต่างฑ์ถ้าอามาราณเป็นมูลนิธิมันไมยากคนจะทำบะันี่ยไม่ท่อนหรือใหญ่แบบคนเดียวมันจะหนักถ้าเราผ่าเป็นขีดขี้ให้คนเดียวหน้อยมันก็ได้ทำบะคยมีใครมาดีกบานนี่นะเคยมีนะใครเคยเห็นไม่มีใ่รดีกันบ้านเราไม่ไยอย่างนี้เอาเป็นประวัติศาสตร์ดีอ่ ให้เป็นประวัติาสตไม่ยึงนี้ยที่ต้องทําเรื่องิดต่อกันรือเป็นประติาสรเองรงเนี้ยวิธีตรวจไปจับไม่ดน้อยหมเอออดน้อยนะออมันมัน ถ้าเหาก็ได้ทําแล้วมันมันมีประโยชน์นะแม้เราจะตอนเช้ายุตสศาสมาใส่บ า, าตรไปทำงานใส่บ า, าตรไปทำงานใส่บ า, าตรไปทำงานไม่แย่งตามแย่งงานเลยมันมีเวลาวันนี้ตอนเย็นมาจะมีโอกาสมาทำสมาธิันไม่ต้องตามมาส่งถึงชั้นี้อาหารน่ยจากบาตตอนเช้าจากไว้แล้วค่ะเจ้าข้าไปจะเอากันกี่เวลาเอากันกี่โมงก็ไปทํานไส้แล้วก็ไปทํา ง, งานกันเลยสะดวกมาก พระพูดแล้วแตม่ได้เขามาหามกันใช่ไหมอ๋อแล้วกพยายามทาเลยว่อเมืองอะเรจะปฏิรูปขึ้นอย่มันดีขึ้นเละแล้วไม่ทำแล้วจะพยายามทำไว้มันไม่ยากเลยอืมอืมอืมในื่อวีเขาเคยไปทำทหารทาอาหารถวาย้ระยุติวัดระบบผูมเนี่ยอะนี่สะดวก อย่างนั้นท er ่าระพุทธเจ้าท่านปกาศไวว่าตามขันธิการโยโอัตตะจระมาานโยเคสองประการนี้จะพจ้าเหุอยู่ เออเนความสุขทางกายความสุทางใจเป็นคามหนักสุขหนี้ควานีโยคอัตตะเหยนขานีโยคเป็นความทุกข์ทางใจมันจะเป็นความทุกข์ทางกาย ท, ท, ทางสอง อย่างนี้ก็คือจังหรือเข้าไหอย่าไปจิตในความสุขจนลืมตัวอย่าไปจิตในความทุกข์จนลืมตัวถ้าไปจิตในความสุขก็ไม่สงบไปจิตในความทุกข์ก็ไม่สงบเพราะา่าความสุขนั้นก็เป็นกิเลสอย่างนี้ในความทุกข์นั้นก็เป็นกิเลสอย่างนี้ ยุคนี้เนี่ยความสุขทุกสองอย่างเกิดขึ้นมาแล้วพยายามเอาจิตคิดเรีานรูว่าทุกอย่างมันก็ไม่แนเกิดนี้มันก็ไม่แน่ไม่แน่ยังไงมีสุขแล้วบางทีมันก็ทุกข์เกิดขึ้นมาอีกมีทุกข์แล้วบางทีก็สุขเกิดขึ้นมาอีกมีสุขแล้วบางทีทุกข์เกิดขึ้นมาอีกเป็นเช่นนี้ตลอดไป เจงถึงมันคี่สุดของชีวิตของเราเราเราทุกคนนีเราทุกคนคนีเคยมีความทุกข์ไหมแลแ้วเคมีความสุขไหมเคยมีสุขมันหายไปไหมเคยมีทุกข์มันหายไปไหม รีมันสุกอยู่ตลอดเวลารีมันสุกอยู่ตลอมันเตรียมแปลง น, นี่ที่คือธรรมะดีอยู่ของเราก็ได้ถ้าหากว่ามันเป็นอยู่อย่างนี้อืถ้าหากว่ามันเป็นอยู่อย่างนี้เราก็ไม่ถึงความสงบไม่ถึงความสงบไม่รู้จักธรรมะของพระพุทธเจ้า ถ้าหากามอดทนมีความฟุ้งเฟือขึ้นอดทนพอสมควรมีความตู่เกิดขึ้นก็อดทนพอสมควรรู่สิ่งทั้งสองอย่างนี้ทุ้งเกิดขึ้นมาควรู้ว่านี่คืออันตรายทุ้งเฟือยจะมานี่ก็คืออันตรายอือันตรายเจริใจของเรานี่ยของเรานี่ฟุ้งเป็นอันตรายทุ้งเฟือยจะมาอันตราย อันนี้พวกเราทาั้งหนายไม่เห็นอย่างนั้นพุกเกิดึ้มาอันตรายพุกเกึมาไม่อันตรายว่าจะเป็นนี้ เ, เป็นอย่างนี้เร้าไม่เลียนแปลงกันก็ดีเกิดไม่หมดปัญญาไ ม, ม่เจอบในความเป็นจริงเนี่ยนะความพุกเนะี่ยไม่มีเจ้าของเนะี่ย ทุก็ไม่มีเจ้าของเป็นจากตัวอ่าธรรมะอันหนึ่งตัวถ้าแล้วมันก็ดับตรงมันไปมันก็ะดับไปแบบความเกิดดับของธรรมะก่อนไม่จะทุกข์ก็เพราะเราไปเป็นเจ้าของไปเป็นเจ้าของทุกข์อือไปเป็นเจ้าของสุขในความเป็นจรินีทุกข์นไม่มีเจ้าของทุกข์ก็ไม่มีเจ้าของ เราไม่รู้เรื่องเลยก็เลยเห็นทุกข์เกิดขึ้นมานึ่ว่าเราเป็นเจ้าของทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วพอเป็นเจ้าของทุกข์นั่นไม่สบายเท่านั้นเองดังนั้นพระพุธทธเจ้าสอนว่าอย่าไปเป็นเจ้าของทุกข์อย่าเป็นเจ้าของสุขทุกข์ทุกข์นั่นจักจะว่าทำมันเกิดแล้หหไไหแล ะ, ะหายไปหายก็ได้จะเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไป มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นถ้าใครไปเป็นเจ้าของสุดเจ้าของทุกคนนั้นไม่สบายจะต้องชี้เจรยาอย่างปฏิบัติอ่อ่าจรงถึงธรรมะธรรมาถามจึงุดจรงปัญญาอ่าจะต้องอดทนจะ้อมีความเพียนจะต้องอเงจรณาอือต่งนั้น ต้องคิดเป็นนี้เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเป็นสมาทิฏฐิแล้วทุวกเกิดแล้วหลับไปสุขเกิดแล้วหลับไปไม่ใช่ของเราเรามีเพียงแต่ของในความเห็นเช่นนี้ถูกอล้วถูกแล้ ว, ลวเป็นสัมาทิฏฐิถ้าเราทุกเกิดขึ้นมาเราเป็นของทุกเป็นสัมาทิฏฐิทุขเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นเป็นของสุขเป็นนิสสาทิฏฐิ ความเห็นจิตในจุดต้องปฏิบัติในครูกปฏิบัติในครูปฏิบัติจิตดังน e. ouais, ั konnte, ้นปฏิบัตินี้จะต้มีความอดทนมีความพยึดมั่นให้มันถูกทางมันก็เดินไปถึงที่สุดโิต็สมุทนานิยมญาติเกิดขึ้นยากความเห็นเบื้องแรกเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าเราเห็นว่าสุดเป็นสุดของเราเป็นของเราทุกส่กนเป็นของเราอย่างงนี้ ทำกรรมฐานไม่ได้ไม่เกิดเกิดนิดหน่อยอ่อเีมีอะไรอนะีกไหมเกินสมมุติเวลาแล้วมีอะไรอีก ใ, ใครมีอะไรก็ให้โอกาสพูดเฉพาะในการการทาจิตในการปฏิบัตินี้ในพูดเรื่องอื่นคือเรื่องการปฏิบัติของจิตนั่นเอง ใเส้สายในตรงนี้ยมัมีากรอยหาเนนั่นงสมาธิทุกวันทุกวันมีความสงบแล้วในชมาตนมีความสงบถหนึ่งแต่วันววนี้นมีมการว่นวายทหน้าเหมือนจัดอ่ัที่ยังการช่การตลอดไม่มีความสงบสักนิดหนึ่งวันนี้จะเป็นอาการมีทมยัยนัน่นเรียก ว, ว่าอันตจัง มันเป็นของเน่เนนอนบางที่ก็สงบบางที่ก็ไม่สงบอันนี้ยิ่งพัฒนายัางไม่เกิดอย่างเต็มที่เราต่อไปอีกเมื่อก่อนมีความสงบมาอยู่อย่างเนี้ยอือันนี้เรียกว่าอันนี้จังเป็นของเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาอย่างนั้น ท, ท่านจึนองอย่าไปเป็นเจ้าของมันอย่าไปเป็นเจ้าของความสงบอย่าไปเป็นเจ้าของความวุ่นวาย วันหลังข้ามันเกิดขึ้นมาอย่างนี้คิจารณาใหม่นี่นี่คิดรณาผิดแล้วไถูกทำไมมันตึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะโยมไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นทุกข์โยมไม่อยากเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นมันก็เลยทุกข์ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นก็เป็นวิภาวะปัญหาอไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นโยมก็เลยทุกข์ อย่งนั้นมันจริงๆอย่างนั้นความสงบกับความวุ่นวายนี่อมันเป็นอันตรายเหมือนงูเห่าอมันงูเห่าถ้ามันเดือยมาเดือยไปเดือยไปถ้าปล่อยมันไปมันก็ไม่ทำใครถ้าแล้วถ้ามันปล่อยไปเหมือนงูเห่าแล้วไปตะคุกมันเหมดแล้วนจะทุกข์กันไปนั่นมันจะทุกมันจะทุกข์ไปนั่นมันจะทุกข์กทุกข์ไปแล้ว ถ้าโยมไปจนจะของสุขจะของทุกข์เมื่อไรมันเป็นอันตรายมันทุกข์เรามันก็งูเห่างูเห่าถึงแม้วันจะเป็นอันเป็นสารพิดแตจริงมันแต่เราไม่ประคบมันมันก็ไม่ทุกเราเมื่อมันไม่ทุกเราคิดมันก็มีมีก็มีอยู่กับงูในมันไม่มีในตัวของเราไม่เข้ามาร่างกายของเราวันหลังพิจารณาใหม่พิจานณาคิดนะนี่มันเกิดอย่างนี้ยังไม่รู้มันเลยอืปัญญาจะน้อย อย่างนั่งให้ได้เลยอย่างนิ่งให้นิ่งจะมาคิดอ่ะอยากนั่งไม่น้อยแต่อยากนั่งให้มากก็นั่งในที่นิ่งนิ่งมีเบาไม่อยากนั่งในที่พื้นทั้งแข็งไม่อยากจะนั่งอย่างนั้นก็ไอ้ปัญญามันก็ไม่เกิดอย่างนี้แหมันทุกข์อยเรื่อยๆเพระนั้นต้องพยายามใหม่นะต้องพยายามใหม่นี่ตัณเทียนมีให้มากๆากเพิ าาถ้าว่าจิตใจของเรามันชอบความสุขนั่งนิดเดียวก็พอแล้วนั่งเบานั่งโคกนิ่งๆก็สบายเลวเท่านั้นนั้นมันจะมีธรรมะอะไร ม, <c oughs> มันไม่ได้จะจิตจะผูกกันนั่นแหบลบมันเป็นแค่อย่างนั้นจิตของคนเราเป็นอย่างนั้นขณะที่มีทางความาใจใหม่นะโยมนะทางความาใจใหม่ทุกๆคนการทํากรรมฐานมันจะดีขึ้น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 การนำรวยมันจะผลทุกมันก็ผลทุกไม่ได้การเรียนวิธามากมายทุกอย่างจะให้ผลทุกมันก็ผลทุกไม่ได้เพราะเหตุว่าวิชาทั้งหลายเหล่านั้นมีความเกิดแก่เกิ ด, กดตายครอบงาอยู่จึงผลทุกไม่ได้ พวกเจาทั้งหลายจริงจึงอยู่วิบวนมาหาความนทุกข์ในทางพุทธศาสนาถ้าวิบมาในทางพุทธศาสนานี้ก็ยังไม่มีใครรู้จักื้าวิบวนมาในทางพุทธศาสนานี้ก็ยัง ม, มีใครรู้จัก ว่าอะไรเป็นอะไรด้วยจึงพากันแสวงหาปฏิบัติจะตกลงว่าพวกเราทั้งหลายนั้นยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจะพ้นจากทุกข์นี่เราจปฏิบัติจะปฏิบัติด้ยตนเองก็ไม่รู้จากทางปฏิบัติ เมื่อหากว่าเราจะอาศัยครูอาศัยอาจารย์เป็นผู้นำนั้นก็มมไม่รู้ว่าใครจะปฏิบัติถูกหรือผิดอย่างแน่นอนเช่นการทำสมถานทูกวันนี้บางอาจารย์ก็บอกว่าไม่ต้องทำสมถะสมถานมันค้าบางท่านก็บอกว่า ต้องทำสมาถะสมฐานถาึงถูกบางท่านก็บอกว่าเรียนวิพัฒนาเลยไม่ต้องลําบากอย่างนี้เป็นต้นคนก็เข้าใจว่าถ้าจะเรียนวิปัฒนานั้นจะต้องเรียนมากๆกจะต้องมีความรู้มากมากจะต้องจะต้องอจบพมฒึ่งจะปฏิบัติจ้า บางอาจารย์ก็ให้ความเห็นว่าถ้าเราปฏิบัติแล้วไม่ต้องเรียนให้มากจะดีอันหดมันผิดแม้ก็เลกมันเสียอันไในมันถูกเลิ ก, ก, ก, ลกปฏิบัติตามก็อพอแล้วปัญหาอย่างนี้หนักใจกับพวกเราทาั้งหลายที่จะแสวงห้าทางคนจากทุกทำกรรมฐานเป็นต้น บางคนก็ตอบว่าต้องเรียนอธิธรรมไม่เรียนอธิธรรมทำกรรมฐานไม่ได้เช่นนี้เป็นต้นยึดหนอะคลองหนอะยึดหนอะคองหนออย่างนี้เป็นต้นเป็นเรื่องที่วุ่นวายทับพวกเราท่านทํานหลายที่จะปฏิบัติเป็นส่วนมากอยู่ มัืนี้จึงเกิดปัญหาความโกเกียงกันจนว่าของสันผูกของเธตสิยุ่นวายอยู่ตลอดทุกวันนี้าการเป็นจริงนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่เป็นเหตุให้วุ่นวายถึงอย่างนั้นแต่พวกเราทางหลายก็มาคิดขึ้นเองอ่เพื่อิี อันประกอบไปด้วยความโรคประกอบไปด้วยความหลงมันจึงมีความยุ่งยากอย่างนี้ในความคิดของตัวเองนั่นก็คิดอย่างพระพุทธองค์ท่านจึงตรัสว่าดูก่อนท่านเนี่ยดูก่อนท่านการประพฤติปฏิบัตินั้นให้ท่านรู้จักว่าให้ท่านพิ้งอดีตเชื้อพิ้งอนาคตเชื้อ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 เมื่อท่านได้รับฟังธรรมของพระพุทธเจ้าท่านก็กำหนดอดีตก็วางไปอนาคตก็วาง ท, ที่เจรณาธรรมอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นกว้างเมืองเลยของท่านก็เลยหมดไปขึ้นไปเพราะว่าอ่าปัจจุบันนี้อที่ปัจจุบันนี้ก็เป็นผลของอดีตอยู่แล้ว อที่ปัจจุบันนี้ก็เป็นเหตุอนาคตอยู่แล้วฉะนั้ น, รนธรรมจริยธรรมะในปัจจุบันทั้งเหตุทั้งผลในที่อันเดียวกันนี้ในปัจจุบันนี้เห็นความเกิเกิดขึ้นมาแล้วมวันก็หายไปเห็นความเกิดเกิดขึ้นมาแล้วมันก็หายไปเห็นความเกิดดับอยู่อย่างยีดตยุ่นเวลาธรรมจริยธรราะจิตอยู่ในปัจจุบันวางอดีต เรากลางอนาคตอือิจตนาทำในปัจจุบันนี้เอาจิตนี้ิจนากายเอาจิตนี้ิจนาจิตก็เห็นความเกิดดับอยู่ในปัจจุบันนั่นเองสงสายของข้านก็เหี่ยแห้งไปหายไปเพราะท่านเห็นทำในปัจจุบันที่เกิดดับ มีเรียกว่าคำของพระพุทธเจ้าไม่มากเราพวกมีความลง่มีเกลียดกันหามากก็คิดมากโกงมากไควอมจริงของเลยมากเราไปทำให้มันมากเท่านั้นมันไม่ยิ่งหลักใหญ่ๆทั้งหมดในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสิ่งที่มันเป็นเกรียดนั่นก็คือโลภะโทสะโมหะสามประการนี้เท่านั้นอ กิเทั้งสามประการนี้มีโมหะเป็นมูลเป็นต้นเหตุโลภโทชะกิเกิดมาตามส ท, ที่จะปฏิบัติทำลายกิเลสทั้ทงหลายเหล่านี้ขึ้นเป็นส่วนใหญ่อก็คือสิตขาสามคือศีลจิตขาสมาธิสิตขาปัญญาสิตขาทั้งสามประการนี้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 เมื่อปัญญาเกิดแล้วเป็นต้นก็พิจารณาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีร่างกายและมีจิตต้นให้เห็นความเกิดดับรูปธรรมอยู่เสมอเช่นอรูปธรรมก็คือสกลร่างกายเราทุกข์หวนนามธรรมก็คือความรู้สึกนึกคิดของเรานี้เองรวมกันอยู่ทางกายโดยจิตนี้ อันนี้เป็นอนันจังทุกขังอนัตตาและที่จะงานรูปธรรมนามธรรมทั้งสองประเภทมีรั้มลงเป็นอันเดียวคือเอโฟธโมเป็นธรรมที่ไม่เน่นอนไม่ควรยึดมั่นถือมันอ่นเห็นโทษของความเกิดเห็นโทษของความแก่เห็นโทษของความตายอยู่ในใจภายในจิตก็เกิดกระดดเกิดความเบื่อหน่าย อไมื่อยาหาทางที่จะมาเกิดอีกแล้วอืมเพราะว่าเป็นทุกข์คนได้ยากเมื่อเป็นเข็มยื่นจิตก็พยายามฝักใฝ่หาทางที่จะพลุจากทุกข์ต่อไปเมื่อนั้นจิตก็มีความเบื่อหน่ายทายความกำหนัดเมื่อจิตมีความเบื่อหน่ายทายความกำหนัด พอเห็นโทษของรูปทำนามทำแล้วอุปทานความมั่นหมายก็ไม่มีเมื่ออุปทานมั่นหมายใน ม, มีเป็นต้นก็ไม่มีอะไรจะก่อให้รูปเกิดมาอีกได้าการการะทำของเราที่ทําอยู่ในปัจจุบันนี้ให้พยายามทําติดต่อกันบ่อยๆจนให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาในจิตใจของเจ้าของนั้น บัดนี้จะถูกหรือผิดยังไม่รู้ทุกคนเมื่อจิตใจมันเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดไม่ยึดมั่นถือมั่นในกองสังขานทั้งหลายเหล่านี้จึงจะรู้ด้วย็นเองเป็นปัจจันตังยืนจิตพอได้ดันงนั้นพวกท่านทั้งหลายที่มาประชุมปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วไม่ต้องสงสัย บางคนอาจจะสงสัยว่าทำมานานแล้วก็เห็นมันผลทุกข์คิดอย่างนี้หรได้ให้เปรียบเหมือนบริษทัทสีไฟความร้อนยังไม่สมรุนกันไฟนั้นกเกิดในทอืมันอาจเป็นอย่างนั้นฉะนั้นอย่าสงสัยในการปฏิบัติปฏิบัติอันนี้ขอให้พูสั่ทางหลายมีศรัทธา มีความเพื่อและจะมีปัญญาทำไปให้เป็นปฏิปทาต่อไปหลังนั้นจงถอนทิฏฐิที่ความเห็นว่าการเรียนมากๆรู้มากๆนั้นผลผลคนทุกข์เเล้ว ม, มีจังทุกขงังอนตาในใกายกับจิดของเจ็บของนี้รู้เท่าเทนยมนจริงเเรกพระจากประทานเท่านั้นก็คนทุกข์ได้ จะให้เวรทุกคนคอนใจว่าความทุกข์เกิดขึ้นในใจนั่นก็เป็นอันตรายความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจนั้นก็เป็นอันตรายอนความรักที่เกิดขึ้นจากใจอะไรนั่นก็เป็นอันตรายความสุกที่เกิดขึ้นจากใจอะไรนั่นก็เป็นอันตรายทั้งนั้นถ้าเห็นเช่นนี้แล้วให้รักนี้ทุกข์นี้รักนี้เกิดนี้ตปนของอะไรเนี่ย เป็นเรื่องอนิจจังทุกขังนาตาเท่านั้นได้กปล่อยวางเรียนเท่นี้หรือเท่านี้ก า, าราเป็นจริงแล้วจบแล้วก็จนจากทุกเท่านั้นไม่มากอันนี้มาพูดถึงธรรมะของพระพุทธองค์แล้วอืมไม่เป็นของมากไม่เป็นของน้อยอันนี้แหละการ น, นี้เอาให้ยอมไปพิจารณา ในจิตนาจิตจิตนาตายกับจิตมีกายมีเป็นอย่างไรเขียงไหมแน่นอนไหยจิต น, น, น, น, นี้แน่นอนไหมแม่แม่นอนไหมเบอร์จิตนี้จนกว่าจิตของเราจะเห็นในจิตปัญญาเกิดจะในจิตเห็นกายตาจิตนี้เป็นอย่างนี้เห็นกายตาจิตนี้เป็นอย่างนี้เจ้าของแม่นอนอย่างนี้เมงาความเห็นเกิดขึ้นเกนี้ ยิตเ้าก็เบื่อจิตเ้าก็นานเมื่อจิตได้เบื่อเมื่อจิตบรานานเราก็หาทางพ้นออกจาก<ฮ>ทุกข์ขนั้นอืการแสดงธรรมให้ความรู้ความเห็นให้ปัญญาเกิดกับจิตของโยมทุกคนต่อนี้ไปก็เวลามันจะหมดแล้ว กเป็นเวลาที่จะถามปัญหาเล็กน้อยเท่านั้นปลาจะไม่ไปกินเบ็ดเท่าไหรมันไปกินเบ็ดใช่ไหมันไปกนเหยื่ออ๋อทำี่จากเรือเบ็ดเหมือนปลาไม่ไปกินเบ็ดด่ะมาจากเบอดเนาะทีนี้ปลาไปกินแล้วหลาเบดมันเลียดปากวันนี้ไม่เบ็ดทำไมปลามันจึงจะทำแนั้น เนะห่อปลาไม่ใช่ใจผิดมั้งปลาใส่ใจผิดอืมมีวิธอย่งนั้นถ้าปลามันมันรู้จักว่าเป็นอันตรายอย่างนั้นปลามันมก็ไม่กินเด็กนี่เราเราเป็นคู้ภารนาแล้าก็จ้งที่ภาวานาบางตีปลามันเห็นลูกล้วก็ชอบมันจะเด็กเหมือก น, นกันนะเนาะหรือฟังเสียงล้วก็ชอบก็เป็นเด็กเหมือก น, นกันเนาะ จมูกรับกลิก่มันก็ชอบแล้วจะปจีบกลิ่นมันก็เป็นเด็กเหมือนกันบื่นเริงรแล้วการไปริ่นจุดรับนั้นอันนั้นก็เป็นเด็กไอโฟนทาโจักล้องทางซายนั้นก็เป็นเด็กเหมือนกันแต่มนุษย์ทั้งหลายเห็นว่าเป็นของสนุกสนานในเรื่องดฉะนั้นจนึงจะจีบอยู่ในตามาคุณในรูปในเสียงในกลิ่นในรสจนเป็นเหตุให้เราวุ่นวายเป็นทุกข์ในใจ นี่ราะอะไรกพรความไม่รู้ตามเป็นจริงนั่นเองนี่เราควรศึกษาให้รู้จักจิตใจของเรามันเป็นอย่างหนึ่งความจริงเป็นอย่างหนึ่งบางทีของขี่ไม่ดีใจเราก็เห็นว่าดีตรงนี้บางทีของนั่นดูใจเห็นว่าไม่ดีตรงนี้อือบางทีเห็นว่านี่ถูกทรรมะนั่งในถูกตรงนี้ หลายอย่างสารพันี่จะนั่งจะให้ภาวนาจะต้องให้คิดนานให้รู้จักให้รู้จักถ้าไม่รู้จักอย่านั้นมันก็หมือนกลากลาไปกินเบ็ดใครเห็นไมนั่เหมือนกินเบ็ดดอกมันกินเหลื่อแต่ว่ามันไม่รู้จักมันไม่ไปปลูกเล็ดคเลยปุกเพานั่นจึงประกันอดทนอดทนรักษาศีลอดทนมานั่งสมาธิอดทนมานั่งสมาธาน เพื่องห้จิตมันเกิดปัญญาเม่เกิดปัญญาแล้วมันก็สว่างมันมองไปเห็นที่นั้นมันผิดที่มันมันผูกที่นั่นเสียหายที่มั่นไม่เสียหายที่นั่นเป็นประโยชน์ที่มันไม่เป็นประโยชน์มันก็เรียกชีวิตตอนนี้แล้วเพราะฉะนั้นชีวิตของเราจะอยู่ในความสมสอขเป็นนั้นก็เป็นชีวิตที่ถูกต้องเป็นชีวิตที่มีความสุขเป็นชีวิตที่สบายในนั้นชีวิตของคนที่ไม่รู้ ดังนั้นพระพุทธ เ, เจ้าถึงไงเตรียมตัวไว้ท่านเตรียมตัวไว้ท่านสอนเลยว่าวันคืนร่วงไปร่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่คือท่านให้สนใจในตัวของเจ้าของว่าวันคืนร่วงไปร่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่หมายควาว่าวันคืนมันร่วงไปร่วงไปนั้นบัดนี้เราทำความความชั่วอยู่หรือทําความดีอยู่ เราทำความศีกอยู่หรือว่าเราทำความศิดอยู่อะไรเนะียภาอะไนหมดเจ้ายอกหรืหมดพุดกยังงอ่าอาจารยจะข อ, อ, อ, ะอะโยมทั้งหลายนั่นนี่บางคนก็ยังไม่เข้าใจบางสิงบางอย่าง คนที่ไม่รู้จักนี้ก็ไม่รู้จักจะทําเนะอัตมาเช่นกันไม่รู้จักไม่รู้แม้แต่ไม่รู้จักก็ไม่รู้จักจะทํานะครับอย่างอยู่เมงไทยมาเมืองมีปัญญา้อนเนี่ยไม่รู้ภาษาอังกฤษก็พูดไม่ได้ไม่รู้เรื่องนี่แว่าคนไม่รู้คนไม่รู้จักพูดไม่ได้ที่คนเรายังไม่รู้นั่นก็ไม่รู้จักจะทําไม่รู้จักจะพูดเป็นธรรมดา เรื่องพิธีการพุทธศาสนานี้สมนอกันมีหลายอย่างเช่นตัวอย่างอมาัมามรรมทีน่าแสดงคำโยนฝันมาถึงค่าแต่ก็มากราบก <c oughs> ราบแล้วก็เป็นราชาว่าอรหังสัมมาสัมพุทธโลกบาลโยนคงจะไม่รู้วิ้งกราบแล้วก็กราบอีกลังทิตลายจันร์แล้วก็ถวายจันทแล้วก็ให้พร สองกะยะาวาริวหาปูราปิโพเดจตเจสรงเอรเอยงนี้เป็นต้นโยมางคนที่ไม่ได้จับคณิบพระไงถึงไปได้อันนี้เป็นที่ขอบคุณคของโยมญาติโยทั้ไหายถวายทานขอบคุณให้มีความดีโยมเป็นสุขอันนี้ความสำนึกดีอย่างนี้เป็นต้นความหมายที่เราจาบพระพุทธเจ้าเนี่ยคอมันกรขันนั้น พระพุทธเจ้านั้นพนระพุทธเจ้าเนี่ยนถน้าเป็นรูปมีเป็นรูปรูปอย่างนี้แต่ไม่ช่รูปนี้เป็ น, นรูปความพระพุทธเจ้าที่สั่งสอนให้คนละความทั่วกระพุ้นความดีที่ให้คนให้เดียเรเดียน์ซึ่งกันแลกันมาถึงทุกวันนี้ก็ท่านสอนอย่างนั้นนาะถ้าท่านเป็นผู้มีคุณอย่างนั้นเราความกราบด้อ่อนนาะ แล้มววงคลมงคทถ้ า, าหากว่าเราไปถึนกันมีการว่าอย่างนี้ดีใจมากจะบอกเคารพกันอย่างสูง น, นี่เรียกว่าเป็นปริยาของพุทธศาสนาฉะนั้นที่อนาตมานานี้ที่กรรบกรญาตก็ต่น้องเป็นผีรุนึกใจสบายมาทำเป็นผู้มีบุญมีคุณแก่เราและเราจะมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้กเพราะความจารท่ า, า, าน อ, อ, อ, อย่งนัง้นจะเพื่อเวนคุณทำ ไ, ได้ ถ้าไม่เป็นบาปท่านเราไว้ท่านไหว้อะไรไหว้ความดีของท่านวความจริงของท่านไหว้ธรรมะที่ท่านประพปฏิบัติมาแล้วมันถูกต้งเจน่าท่านสานะท่านดีก็เลยดีท่านเชื่อได้เชื่อเหล่านี้เป็นต้นคําสอนจิตวิญญาณศาสตร์อย่างนี้พวกวันนี้ก็ยังหายแต่ไหนยังตั้งอยู่ในโรคแบนี้ใครทาดีก็ยังได้ดีอยู่ ใครจทำเชื่อก็ยังให้เชื่ออยู่ตลอดเลวันนี้คาสอนอันนี้เป็นคาสอนที่ออกจากโอทั้งท่านจากใจทั้งท่านอืมคาสอนนี้นจริง ป, ประโยชน์ท่านจึงเป็นผู้มีประโยชน์แก่ชาโรคทั้งหลายเพื่อนอืมพระราชาเมตตาหลาให้ำทำผิดถกต้องให้พูดผิดถูกต้งให้คิดผิถูกต้องทั้งนั้นฉนั้นจึงประกาศว่าท่านเปี่หมเป็นพิรุเป็นพิรุทางใจพระรมกรไดอืม้ความหมายอย่างนั้นพ้าไตรมีพรกบาบทันทีคนตคน ถ้ายังมีชีวิตอย่าทำใจไปกับอะไรบางสิ่งนะความคุนต้าคนไทยจะขอบคุณมีาาาาบางท่านมีแต่เป น, เป น, เปนิดอย่างนั้นมีเป้าหมายอย่างนั้นบางคนจะนาทางไปทาไปสึดไปเรื่อยไปต้งสวามรุนี่เป็นจิดของจิตประสาทจมาืะทุกคนไปนำท า, างก็นั้วยกันใครโย น, นไปนำทางงั้ก็ไปติดไปว่าอย่างนี้นดีใจมาก ขอคุณมากเรื่องการคารวะคำสอนี่สานกรรมวแต่หาเทวหาอานหาสีบริสุทธิ์หาพระทบริสุทธิ์แก้ขวดอย่างนั้นก็ทาอย่างนั้นจริง เ, เป็นคนที่มัน่นมั่นเป็นคนที่ชัดโดดเป็นคนที่ปฏิบัติดีแก้มีเห็นทุกนี้จากทุกนี้จากกระแาข่าวสารแล้วก็เพ่งกำลังจคนไะพันมันเที่ยเป็นมาเลื่อนสายถ้ากเป็นธราษฎร์นันทำนี่นนก็อเาไม่เลี้ยงสาย ก็มีจะมีลูกจมีเข้าของเงินทองมีอะไรวุ่นวายอยู่แล้วแตะฉันจงมาร่านการเรียนการใช้สตางกินเบียหรือากินสุรายนี่ก็เป็นธรรมดาธรรมดาก็มาเรียนหนังสือกันไงแล้วจังแล้วจังเรียนจังต้องหาครูที่มีกามรู้กว่าเราใช่ไหมถ้าจระเรียนการปฏิบัติพุทธศาสนาใช่ไหมการทำกรรมฐานก็ต้องหาคนคูดที่มีเกียบิน้อยเบาบางออกจากคนทุกขที่องสควรก็ต้องเรียนอย่างนั้น